จเจรินพรจักษาสุชนช่งางารนี่ไม่เรียกว่ากระแดงทำชื่อว่าสมโมตเนียกาถาแปลว่าโมตนาบุญโมตนาความดีโมติจา่าจิตหมกยินดีกับผู้ที่ทําความดีใครทําความดีผู้ที่ทําความดีทํายังไง จำทำความดีที่ถูกก็คือรักษาศีนเรียกว่าดีเลิศเพราะศีนเป็นโบเกอิดแต่ความดีของคนที่ว่าศีนดียอดเพราะมีวลีว่าจิละเมวะอิทะอากังศีนเป็นเลิศถ้าใครเอาศีนไปใส่กายวิจารใจคนนั้นเป็นคนเลิศเลิศเหนือกว่าใคร เลิศเหนือกว่ากิเลสกิเลสจะคงกี่หัวใจของคนมีศีลไม่ได้เพราะศีลเป็นวิถีศีลศีลเป็นญาณภาณะที่จะตรงไปถูกความปัญญาได้ศีลจึงเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ญาติยอมทั้งหลายมารักษาศีลมาทำความดีวันนี้กลายเป็นคนเลิดเลิศ เกิดชาตินี้ก็ไม่ตกต่ําไม่รักกรรมลำบากทุกชาติไปเพราะคนมีเสียงก็พวกไปสู่นิพพานทั้งหมดเลยไม่ไปทันทีอาจจะชาไปหน่อยก็ไม่เป็นไรขอให้เดินทางทางนี้ก่อนก็ว่ามักมบียงแปดเศียรเป็นตัวเดินทางไปเรียกว่าวะจีแล้วก็กายกรรมและอาจีวะเรียบสงกบสงเคราะห์ในเศีย ศีนเป็นองค์ธรรมมันยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายได้รักษาศีลเดือนก่อนปีก่อนหรือว่าวันก่อนหรือชาติก่อนมาแล้วให้ท่านรักษาต่อไปเถิดเพราะศีลเป็นบ่อกเกิดแห่งความดีทุกชนิดดังคำว่าอาทิที่ลังปฏิท่าจะกัลยาณ า, านันจะมาทุกรรมปัมบุกขังจะประทัมานัง่งตัดสมาธิลังวิโสที่ย แล้วก็เป็นเฟรเป็นภาษาใจว่าศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้นกวางดูไปดีจะพึ่องอะไรก็พึ่งไปเลยศีลมาก่อนเพราะคนมีศีลได้พึ่งตัวเองด้วยคนอื่นพึ่งตัวเองด้วยเช่นพระพุทธเจ<ม>้าท่านนี้ศีลสงศสุดแล้วคนทั้งโลกก็อาศัยบุญต่านอย่างไงเนี่ยอย่างว่าพระสงฆง์ในญาติโยมนี่เป็นคนดีไม่ใช่มาจากไหนแล้วมาจากศีล สีนี้ปิดประตูออบายสีนี้เปิดประตูสวรรค์ถึงไม่อยากไปสวรรค์ก็ต้องไปแน่ๆสีนี้เป็นประตูประตูพระนิพพานเราเกิดมาชาติเดงนี้ได้อะไรก็ได้กําไรชีวิตเกิดได้รักษาศีลคนไม่รักษาสีเนี่ยขาดทุนยับเยินเลยขาดทุนจนกระทั่งว่ามีบ้านทำไมจะอยู่จะไปอยู่ตลาด ถึงจะใหญ่โตมโหฬารยิ่งใหญ่เพียงไรพอทําผิดพลาดในศีนแล้วท่านต้องไปอยู่ตาที่เรือนจำูกตรกรรมทรมานแน่นอนแต่ถ้าใครรักษาศีลถึงเกิดมาตกต่าลำบากยากจนค้นแค้นจะได้ดีแน่นอนที่พระเจ้าพยากรณ์ไว้ว่าศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้นนี่ก็แรกนะข้อที่สองศีลเป็นมารดาของธรรมทั้งหลาย ก็เรามีมารดามีแม่จะแม่บุญธรรมก่อนแล้วแต่แม่อุปการรักอุปสมกัมชูลูกอย่างดีเลยศีลอุปสมกัมชูคนอย่างดีเลยแม่เรายังตายแต่ศีลไม่ตายน่ะถึงตายไปที่รอจ่าศีลไม่ตายเป็นอมตะเพราะพระนิพพนเป็นอมตะแล้วศีลอะจะไม่เป็นได้ยังไงเพราะไรนิพพานไปกับศีลนี่เพราะนั้นศีลเป็นอมตะ แล้วศีลก็ต่อไปที่สามนะศีลเป็นประธานของธรรมทั้งปวงนี่ไม่ใช่ของใครหรอกของพระพุทธเจ้าท่านจัดว่าว่าศีลเป็นประธานของธรรมทั้งปวงธรรมทั้งหลายจะเกิดดูว่าใจคนนี่ต้องมาจากศีลมาก่อนเพราะศีลเป็นประธานของธรรมะธรรมะที่เป็นกุศลธรรมทั้งหมดนี่มาจากศีลทั้งหมดเลยศีลจึงเป็นบทบาทยิ่งใหญ่ ที่พระองค์ตรองเปรียบเทียบ ว, ว่าถีนนี่คือแผ่นดินถามว่าแผ่นดินจริงๆนี่ในชมพูทวีปหรือทวีปต่างๆนี่มันลึกเท่าไหร่แผ่นดินลึกเท่าไรพระพุทธเจ้าว่าลึกสองแสนสี่หมื่นโยชน์ลึกไปถึงหัวพญานาคถึงบาดาลบุกเพราะฉะนั้นถีนลึกแล้วก็แผ่นดินก็ลึกแผ่นดินก็แข็ง คนยืนเดินนั่งนอนบนแผ่นดินเขาระทุมเป็นภูเขาวิมบาบาีิยิ่งใหญ่ก็ตั้งบนแผ่นดินท่านเปรียบเทียบว่าข้อนี้ฉันได้เมื่อแผ่นดินเป็นใหญ่ทีนก็ใหญ่กว่าแผ่นดินลึกลับเหลือที่กานานับได้กว้างด้วยถงด้วยลึกด้วยแล้วดีไม่ส่างสาแล้วที่หอมะรื่นชื่นใจนะท่านหอมอะไรลนะ่ะ น้ำหอมที่มาประพรมร่างกายชั่วบนศีรษะหอมด้วยดอกมะลิมะลิทอมนลีลามาห่อหอจงโคหอมดอกปริชาตทอมดอกมัน t h รับพวกนี้หอมเช้าเย็นกระสังชาหมดไปทิ้งไปเห็นความหอมพวกนี้หอมตามลมแต่ศีนหอมถวนลมแล้วก็สีนหอมไม่รู้สั่งชาไม่รู้จักจืดจางนะถ้าใครทำได้จริงแต่ความหอมของสีนจะหมกดมไม่ได้ ต้องดมกับใจต้องรู้ในใจเองว่าเรานี่หอมจริงแล้วก็คนที่อยู่ใกล้กับหอมด้วยหอมตรงไหนล่ะคนมีถิ่นเพื่อนชอบมีสเสน่ห์เป็นหมานิยมการนั่งกับคนมีถิ่นเนนั่งท่างเอืน่นต่างไปก็ไม่เบื่อหรอกเช่นว่าไปนั่งใกล้พระพุทธเจ้านี่ถิ่นแรงมากเลยว่ามหาจิละเตโชถี่นแรงของพระพุทธเจ้าเนี่ยคนนั่งทําไมร่ายทำไม่ลุกล่ะ แต่มีธุระก็เดินเยยกว่าเราเราถอยแต่ถ้าใครไม่มาฉันไม่อยากกลับลงนั่งใกล้พระพุทธเจ้ามันหอมระเรื่นชื่นใจด้วยความดีของพระองค์ท่านแล้วก็หอมทวนลมหอมเป็นนิติรันดอร์ที่ว่าทีรคันโทอนุตรโรนี่แปลว่าไรายมแปลว่าถีนหอมเลิศในโลกยอมนี่อยู่ไปอยู่มาเราทุกคนจะต้องแก่ร่างกายมันเ็นซับหลังทั้งนั้นแหละเป็นปฏิกูล แต่ร่างกายเหม็นแต่ใจหอมด้วยศีนร่างกายใครก็เหม็นทั้งนั่นแหละทั้งยังมีชิตก็เหม็นเป็นปฏิกูลตายไปกปฏิกูลแต่ศรีนไม่เป็นปฏิกูลศีนเป็นอมตะแห่งธาตุทั้งหลายธาตุทั้งหลายดินนั้นไกลลมไปในจังตัว ก, กาณาตาแต่ศีละธาตุนี้ธาตุแห่งศีีนี้ไม่เป็นอยู่ในหลักนี้เป็นของวิเศษเป็นของวิโวสจมโตรจรจริงๆแหละ เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายมาทำบุญท่านได้มีกลิ่นหอมและรื่นชื่นใจในอารมณ์ถึงคนเข้าใกล้เขาก็ไม่รังเกียจเราคนไม่มีเสียงก็เรียกกลิ่นข่าวแรงกลิ่นเหม็นแรงมากคำว่าเหม็นนี่ก็ว่าชื่อเสียงไม่ดีเมื่อเจี๋ยเสียงไม่ดีใครก็ไม่อยากเคาะเลยได้ชื่อเสียงดีถึงแก่แล้วคนก็จะเคบคนจะกราบคนจะไหวน้นี่มันดีจริงจงโยมเรื่องเสียงเสีนี่ จะยอมรับวันนี้เนี่รักษาวันนี้หรือมาทำบุญวันอาชาณะบูชานี่เป็นวันเตรียมพร้อมของพระทสงฆ์ของพระเจ้าจะได้อาจิจารเข้าพรรษาจะขอกล่าวเพิ่มเติมตรงนี้เพราะว่าพูดมากไม่ได้ก็ให้กล่าวกคำสมโภชนียกถาเทา่งนั้นแหละจะเข้าพรรษาวันนี้เนี่ที่พระเจ้าจัดว่าพวกเทพเจ้าเบื้องบนมีพรอินทร์เป็นประธานก็ประชุมกันว่า พรุ่งนี้จะเข้าปรรษาแล้วพวกเรามีธุระจะต้องแบ่งกันทำานให้แท้ประมุของนี้ไปว้าอยู่ที่วัดโน้นไปว้าอยู่ที่วัดนั้นทุกวัดมีเทวดาคอยหอมล้อมแล้วเพราะจะเข้าพรรษากับพระด้วยแล้วก็เพื่อป้องกันอันตรายพระที่บวชใหญ่มีอะไรมารบกวนอันตรายของพระเรื่องผู้หญิงนะ อีที่ดินประมจารีอส่หญิงเป็นเบญินของพระแต่เมื่อเทวดาเข้าประจําแล้วทั้งหญิงทั้งพระไม่มีอาคุถนกันเพราะเตรียมตัวจะเข้าบรรษาเข้าบรรษาเป็นการอธิษฐานทีงกล่าว่าเข้าบรรษาอธิษฐานเลิกละอย่า ก, กินเหล้าอยาเมายาอะไรนี่คนก็ได้ดีเยอะเวลาเข้าพรรษานะแล้วออกพรรษาแล้ว ก, ก็ตามเรื่องของใจเลยแต่ถ้าเข้าบรรษาแล้วมักมีสัจจ เทวดาก็รักษาวัดวาอารามสิ่งใดที่เป็นโทษเป็นอันตรายของศาสนาเขาจะต้องทําพิธีขับไล่ไปไม่ให้เกิดภัยอันตรายในเวลาเข้าพรรษาหรือก่อนเข้าพรรษาวันนี้เลยเทวดามาแล้วแต่เราไม่เห็นนะเราพูดได้ด้วยพระเจ้าสัตว์ไว้ว่าหน้าที่ของเทพประบุของพระอินทร์นี่เป็นหน้าที่ อุปถัมก์คำชูปรบพุทธศาสนาพอข้ารรษาก็มีหน้าที่ไปรักษาวัดวารามเทวดาที่อยู่ก็อยู่แล้วตามวัดวารามตามโบสตามวิหารตามศาลาเจดีก็มีจริงนั่นเป็นหลักแต่เทวดาใหม่ที่มาอยู่นี่ต้องคอยป้องกันอยู่เขตนอกเขตหน่อยแล้วอะไรเป็นอันตรายกับพระบ้างนี่เทวดาจะไล่ไปคำว่าเทวดาไล่นี่เกิดทาด้วยฤทธ ไม่ให้ไปยุ่งไปเกี่ยนในวัดวาอารามให้พระได้อยู่เรื่อนรมสบายอกสบายใจบำเพ็นภาวนาไหว้พระสวดมนต์เจริญกรรมฐานอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายมาทำบุญวันจะเข้าพรรษาท่านถวายอะไรถวายผ้าวัชกิรสาแปลว่าผ้าอาบน้งฝนใครเป็นคนถวายคนแรกในโลกคือนางวิสาขาทาแล้วพระพุทธเจ้าอนุมตนาสารุว่า ของนี่เป็นของดีญาติยมรู้ความดีจึงนังผ้าวัจจิตาหรือผ้อาอ่านนำวลมาถวายพระท่านจะใช้หรือไม่ใช้ไม่เกี่ยวนะผลมากเกินไปก็ถวายไปแล้วเราได้บุญแล้วท่านจะใช้หรือไม่ใช้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายทำถูกทำดีอย่างนี้ควรโมทนาและอย่างนี้ควรจะให้พรเกือให้สมฤทธิด้วยพรสีประการมีอายุวนนะันณะาุกบละ สุกกายสุกใจตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอะไรที่ร้ายให้ห่างไกลเหมือนขว้ากับดินอะไรที่ดีเหมือนกลาชิตเจงอยู่กับตัวที่ดีที่ทุดอะไรโยมกระท า, าวิริยะสติสมาธิปัญญาแปลว่าอะไรแปลว่าพลังห้าพลังอะไรพลังใจพลังใจมีกําลังสูงที่จะเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมพลังศีลที่พูดเมื่อกี้นี่ท่านจะดีทุกชาติทุกภพกไป แล้วเกิดชาหนึ่งกบได้น้ารูปสวย ร, ว ย, รวยทรัพย์นักวิจารมารยาชชาติผู้ดีมีสินธรรมก็มาจากศินทั้งนั้นเน่ะจะนั้นท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวันดีที่คนนับถือตราตนามีตรัตาแล้วก็มีความเพียรละชั่วประพฤติความดีรักษาศีลมีศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมตลอดทุดท้ายให้มีปัญญาเป็นพลังไม่ใช่คนปัญญาอ่อนเป็นผลปัญญาเข้มแข็งปัญญาเอาไว้ทําอะไริยม เอาไว้ฆ่าเอาไว้ประหารคือล้างมารถ้ามารกิเลสมาเนี่ที่คำว่าโยเทธะมารังปัญญาวุเทนะเธอทั้งหลายจงข้ามารคือกิเลสด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญากิเลสจะถูกฆ่าไม่ได้ไม่มีปัญญากิเลสนอกงามในอารมณ์ในสันดานตัวเองนต่คนที่ไม่มีปัญญาเนี่ยแต่คนมีปัญญาอย่างพวกญาโยในกิเลสมีแต่น้อยและพวกนี้ไม่ไป น, นรกบอกไม่แน่นอน สุดท้ายนี่ก็อ้างออกคุณพระตรีรัตนตรยคือพระพุทธประจอมระสงสิงตะกตรักติตในสากลและโลกจงมาบรรดอนบรรดาในท่านทั้งหลายฉุกสมบูรณ์ด้วยศรัทธาวิริยะสติสมะพิปัญญาพระราชนาอันใดอันเป็นไปโดยชอบธรรมข่อถึงนั้นจนทำารรมเดชแก่ท่านทั้งหลายชั่วกาลนาน ชาวสามโมจานยิยาคาถาก็พอสมควรแก่กเวลาเอวังก็มีด้วยประการเจนี